ทั้งเตะทั้งต่อยโชคตีทุกวิถีทางเอาจนกระอักเลือดจนลุกไม่ขึ้นนั่นละค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจึงสยบเงียบหายไปจากความชั่วร้ายหายไปนานไม่กล้าโผล่ามากวนเมืองอีกต่อไปนะคะด้วยว่าครา้เกรงในความเก่งกล้าเอาตายของจานรงซึ่งเขาก็เคยสู้มือเปล่ากับอีกฝ่ายที่มีมีดคมกริบอยู่ในมือแล้วก็แข็งแกร่งปานกัน